26. จิตรู้อะไรก็ได้แต่รู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่อวงเล็บเปิด 20. มกราคม2550นหในวงเล็บสองวงเล็บปิดใจนิ่งมี2นิ่งนะนิ่งหนึ่งนิ่งเพราะว่าเป็นสมถะนิ่งหนึ่งนิ่งเพราะมีปัญญามันเริ่มเห็นเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมนะบังคับไม่ได้พอใจเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกจะค่อยๆเป็นกลาง เพราะฉะนั้นจิตมันจะไปรู้สภาวะอะไรก็ได้แต่รู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่อสภาวะทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรมล้วนแต่เป็นของปรุงแต่งแต่จิตของผู้รู้เนี่ยพอรู้แล้วไม่แต่งต่อก็จบลงที่เขาทำงานของเขาแล้วเราไปรู้ก็จบแล้วมันจะเห็นเลยเขาทำงานของเขาได้เองบังคับไม่ได้เราเฝ้ารู้ไปพอใจเราซึมทราบถึงความจริงนะ มันจะค่อยๆเป็นกลางไม่ปรุงพอใจรู้โดยไม่ปรุงต่อเนี่ยถ้ากำลังของสติสมาธิปัญญาเพียงพอนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นถ้ายัางไม่พอมันก็ยังเรียนไปอีกเพราะใจยังไม่เป็นกลางพอใจไม่เป็นกลางมันก็ดิ้นดิ้นก็ปรุงอีกนะปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างถ้าเราเห็นเลยว่าชั่วก็ใช้ไม่ได้ดีก็ใช้ไม่ได้นะก็จะวางสบายเราดูเฉยๆ แต่ตรงเฉยต้องระวังนิดหนึ่งคืออย่าให้ใจมันเฉยถ้าใจเป็นกลางนี่อย่างหนึ่งนะกลางเพราะสติเพราะปัญญาถ้าใจเฉยเมยไม่รู้ร้อนรู้หนาวอันนี้ใช้ไม่ได้หลวงปู่ ม, มั่นบอกว่าในเครื่องหมายคําพูดระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยคอยดูเอาถ้าเฉยอันหนึ่งเฉยเบิกบานนะเฉยอีกอันหนึ่งเป็นเฉยซึมกระทือเฉยแห้งแลง้งเฉยเขงแข็ง